มนุษย์เราต่างจากสัตว์สัตเขาอยู่มาโดยธรรมชาติเพื่อเกิดมาโดยธรรมชาติดูธรรมชาติอะลรๆก็ตามธรรมชาติของเขาไปเรื่อยๆจนทั่งวันตายเขามีธรรมชาติของสัตว์เป็นประจำตัวของเขาแต่สำหรมนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์จึงต้องมีศาสนาเป็นเครื่องปกครอง ห้าว่าจะเทียบแล้วก็เหมือนกับแปนบ้านแปลนเรือนนี่การผูกสร้างที่จะทำให้มีความแน่นหนามั่นคงไม่สวยงามไม่มาตรฐานต้องอาศัยแปลนเป็นข้อผัญไม่อยากจะทำเอาแบบซูมสีู่มห้าเหมือนอย่างสร้างุกติวัตถุบันตะเพราะอันนี้มันเป็นอีแบบหน่ง การสร้างให้ถูกต้องตามแบบแบบแปนแผ่นถังแล้วมันก็น่าดูนีความเป็นมนุษย์นี่เป็นอีกอย่างการที่จะสร้างมนุษย์ให้ถูกต้องกับความเป็นมนุษย์ซึ่งมีภูมิสูงกว่าจัดจึงต้องอาศัยาศาสนาซึ่งเป็นเหมือนกับว่าแปลนชี้แนวทางให้ประพฤติปฏิบัติ ความเป็นอยู่ของคนหมู่มากเพราะมนุษย์เราอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องมีหมู่นีพวกนี้เพื่อนเป็นธรรมดาตั้งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตำบลหมู่บ้านอาเภอจังหวัดจ่อยู่โดดเดี่ยวโดวยลำพังไม่ได้เพราะมนุษย์เรามัขี้กระเเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากไม่มีกฎหมายบ้านเมืองไม่มีสิ่งธรรมเป็นเครื่องปกครอง ความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีอะไรจะเกินหน้ามนุษย์นี่สำคัญเมื่อความเห็นแก่ตัวมากการแสดงออกแห่งความเห็นแก่ตัวก็ต้องเป็นการกระทบกระเทือนเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเพราะไม่มีศาสนาไม่ทราบว่าอะไรผิดอะไรถูกเมื่อได้อย่างใจแล้วก็เป็นที่พอใจของตนเรียกว่าสร้างความทุกข์ความลาบากให้แก่ผู้อื่น เพื่อความทุกขส์ส น, นับตนเองซึ่งไม่ถูกกับลักษณะของมนุษย์ผู้มีความฉลาดนั่นเลยก า, า, า, ารมีศาสนาก็คือการมีการเทียดเทียมทดสอบในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าอันไดถูกอันไดผิดอันใดถูกใจเราผิดใจคนอื่น อะไรเป็นความกตกขกระเทือนไม่กรุกกระเทือนนี่เราหมายถึงส่วนรวมคือหมายถึงทั่วๆไปต้องมีกนหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเข้าเป็นเครื่องปกครองไม่เช่นนั้นโลกก็ร้อนศาสนาจิงเป็นความจําเป็นที่หมู่มนุษย์ต้องนับถือกัน คนนั้นถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ร่วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องปกครองให้คนมีความร่วมเย็นต่อกันนั่นเองนี่เราก็มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเทดิดทูนเป็นรั้วกั้นของใจเป็นทิฏฐิของใจเป็นหลักของใจมีความมนุษน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ การอาลึกถึงพระพุทธเจ้าลึกถึงศาสนากับการอาลึกถึงตนก็มีส่วนเท่าๆกันเมื่อรึกถึงศาสนาศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรก็สอนลงมาที่เราก็เป็นเหตุให้รู้สึกตัวเราว่าอันใดถูกอันใดผิดเราก็ได้ไปพิจารณาตามนั้นในศาสนามีหลายชั้น ตามพื้นเพของจิตใจผู้ปฏิบัติมีสูงมีต่ำและมีสูงสุดตามแต่ความสามารถของผู้จะผู้ปฏิบัติจะได้มากน้อยเพียงไหนแางน้อยเรามีศีลห้าเราก็ยังดีมีความร่มเย็นเป็นสุขจากนั้นผมมีการเจริญเมตตาภานาการทำบุญให้ทาน เข้อศีลอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์แจะต้องทําทั้งนั้นเป็นกิจจาเป็นสําหรับมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเป็นจํานวนมากจะต้องมีการสงเคราะห์สงหาซึ่ง ก, ากาันและกันและมีความเห็น อ, อกเห็นใจให้ความเป็นใหญ่ให้สิทธิแก่ ก, ากาันและกันโดยสมบูรณ์ต่างคนต่างให้สิทธิที่ต่างทนต่างให้ความเป็นใหญ่ในเขาและสมบัติของเขาเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับเราเราเช่นเดียวกับเขา เมื่อเป็นชนนต่างคนก่อต่างไม่ร่วงล้ามเข็ดแดนซึ่งกันและกันก็มีความเป็นสุขการกระเทือนจิตใจเป็นสิ่งที่กระเทือนมากเสียหายมากยิ่งกว่าสมบัติที่เสียไปสมสมบัติอันใดที่เป็นของใครในสูญหายไปเพราะการโจกการลักการขโมยหรือการปล้นการที้อะไรก็แล้วแต่ อันนี้เป็นสิ่งที่กระเทือนจิตใจมากแต่พ อ, อย่างยิ่งการต้นการขี้มีเป็นส่วนใหญ่มากทีเดีวยวการทมวยยังเป็นอีกอย่างสมบัตินั้นก็ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่สำคัญที่คุณค่าของใจไดเกิดความกระทบกระเทือนและเสียหายเป็นมากมายอันนี้ท่านให้รักษาทั้งสองอย่างคือรักษาทั้งสมบัติ ด, ด้วยรักษาทั้งด้านจิตใจของการอกันด้วย ห ม, มายถึงศีลอันใดก็ตามเกี่ยวกับศีลห้านี้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันกันกบเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันด้วยกันทั้งนั้นถ้าต่างคนต่าง ม, มีศีลห้านี้ด้วยกันแล้วร่มเย็นเป็นจุดผู้ที่ไม่เข้าใจศาสนาก็เห็นว่าศาสนาไม่จําเป็นไม่สําคัญคือเราไม่เห็นความสําคัญ ของจริงต่างๆแล้วของตัวเองนั่ น, นั่นแหละถึงได้เห็นว่าศาสนาไม่เป็นของสําคัญแต่เรายังเห็นว่าเราเป็นมีความสําคัญเห็นคนอื่นมีความสําคัญเช่นเดียวกับเราแล้วศาสนาก็เป็นความสําคัญเพราะสอนให้คนเห็นความจริงความสําคัญด้วยกันทั้งนั้นการเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเนียกว่าเป็นบุญลาภของเรา ที่ไม่ได้พบศาสนาเลยนั่นน่ะมันมีจํานวนไม่น้อยมีมากมายกลายกองไม่ทราบว่าพุดธเป็นยังไงทําเป็นยังไงสงเป็นยังไงสาระอันสําคัญของจิตใจไม่มีเลยพออยู่ไปวันหนึ่งกินไปวันหนึ่งนอนไปวันหนึ่งอาสายด้านวัตถุก็ให้เพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจหาสิ่งที่จะคุ้มทราบถึงบํารุงไม่มีเลยก็แสดงว่าขาด หลักอนนันสําคัญไม่น้อยเพราะฉะนั้นการยมกับทางด้านวัตถุจนลืมทางด้านนามธรรมคือศาสนาคือศาสนาหรือทางจิตใจเป็นความเดือดร้อนท่อไม่สม่ําเสมอด้านวัตถุก็ทําเพราะกายของเราก็เป็นวัตถุต้องอาศัยวัตถุเข้ามาเยียวยารักษาร่างกายของเราอยู่ได้ด้วยวัตถุเป็นบ้านเรือนเป็นต้น จิตใจของเรามีความร่วมเยอนได้ด้วยศีลด้วยธรรมจึงควรมีศีลมีธรรมคือพึงงามความดีที่เราจะพุงอบอรมสั่งสมขึ้นให้มีมากๆเพื่อจิตใจจะได้มีหลักฐานเป็นเครื่องยึดนี่ถึงชื่อว่าจาเป็นด้วยกันทั้งสองอย่างแต่เพราะอย่างยิ่งใจเป็นสิ่งสำคัญมากควรจะมีหลักยึดของใจ เพราะใจวอกแวกความแปนเนื่องจากหายหลักยึดไม่ได้ถึงสิ่งภายนอกจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงไรก็ตามจิตใจเมื่อขาดคุณงามความดีขาดศีลทำเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องทำให้ชุ่มเย็นแล้วจิตใจก็ร้อนร้อนทั้งๆัง ท, งที่มีความรู้ความฉลาดร้อนทั้งๆ ท, ที่มีสมบัติมาก ร้อนทั้งทั้งที่อะไรล้วก็ไม่อดอยากขาดแคลนทางด้านวัตถุแต่ความร้อนท้องใจกจ็ร้อนอยู่ไม่ลดละเพราะขาดอาหารภายในใจขาดเครื่องบำรุงภายในใจ ใ, ใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี่ปรากฏว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าทรงทราบความจําเป็นทั้งสองอย่างคือทางด้านวัตถุที่เกี่ยวกับร่างกาย ทางด้านนม า, ามธรรมคือพลังความดีที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะทั้งปัจจุบันในอนาคตทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงเพราะนั่นจึงต้องช่างสอนบรรดาสัตว์ให้ทราบทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายในคือใจทั้งปัจจุบันทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้แจ้งความเกิดแกเจิดตายไม่ ในพบนั้นๆจนมาถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นอยู่เวลานี้ความสุขความทุกข์ก็ทราบกันอยู่ตามเหตุปัจจัยที่นำหมุนอยู่เสมอให้เกิดสุขบ้างทุกบ้างดังที่เราทราบกันอยู่เวลานี้และอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้ามีอะไรเป็นหลักของจิตใจที่จะสืบพบสู่ชาติไปด้วยไปได้ด้วยดีมันมีความทุกร้อน พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบและทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญสาระอันสําคัญคือคุณงานความดีไว้สําหรับใจใจจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดในภพใดชาติใดก็ เ, เป็น ส, สุขติสุขติสุขโตไม่ว่าจะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้ารพระองค์ใดที่ทรงสั่งสอนไว้ในโลกในยุคนั้นๆ ทรงสังสอนเป็นแบบเดียวกันในโอวา่าตาติโมท่างสอนว่าเยาะๆยว่าสัพปะภาษาอการนั่งการไม่ทำชั่วอันจะให้เกิดความเสียหายทั้งปวงหนึ่งกุจะสู้กูจะ ส, สู้กระซั่มประทาหรือกุจะชู้ประสั่มกระดาการยังกูสนคือความฉลาด ในทางที่ชอบให้ถึงพร้อมหนึ่งสะจิตตะประโยชนรปนังการทํากิตให้ปรองใสห ร, รือบริสุทธิ์น่งมีหลักใหญ่ของศาสนาเตตังมุธานัสาสนัง น, นี้เหล่านี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปวงอยู่ทั้งหลายนี่นมีหลักใหญ่ของศาสนาท่านสอนเป็นแบบเดียวกันทกิเลสหรือสัตว์โลก เป็นชนิดเดียวกันมีความทุกข์ความลำบักมีกิเลสทั้งหลายเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องห่ายนักภยากยในจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนมุ่นหายเช่นเดียวกันหมดการสั่งสอนธรรมจึงต้องอาศัยเรื่องของสัตว์โลกเป็นต้นเหตุที่จะสั่งสอนอย่างไรถึงจะถูกต้องนี่เวลานี้เราทุกคนถ้าหากว่าไม่มีหลักจิตใจเราก็ไม่แน่ใจ ในตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าหากตายแล้วจะไปยังไงจะไปสุขไปทุกข์ไปคติใดไปเกิดเป็นภพอะไรบ้างเป็นสัตว์หือบุคคลชนิดใดเราไม่อาจทราบได้การไม่อาจทราบได้นี้เราก็ไม่ควรเสี่ยงต่อความไม่ทราบได้อยู่เสมอไปจึงควรสร้างความแน่ใจให้มีภายในตน การสร้างความแน่ใจก็คือสร้างากับด้วยหลักธรรมของพระเจ้าอะไรจะเป็นที่แน่ใจก็คือความดีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญทอนน์นี่เป็นสิ่งที่แน่ใจสนับใจอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดอื่นที่จะแน่ใจไปยิ่งกว่าความดีนี้เป็นเครื่องประกันความดีนี้มีอยู่ภายในจิตใจได้จิตใจนั้นเรียกว่าประกันตัวได้ เพราะความดีเป็นเครื่องประกันเราจรึงสร้างความแน่นอนไว้ในจิตเสียตั้งแต่บัดนี้จะให้เสียเวลาเวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนทั้งชาติในล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายปีหลายเดือนโดยไม่ได้คิดอ่านแต่จองอะไรเลยในสาระสำคัญที่เป็นคุณสมบัติของจิตอันนั้นไม่สมบวรสิ่งสมควรอย่างยิ่งก็คือ เราพยายามทำเสียตั้งแต่บัด น, นี้ไม่มีใครที่จะพูดให้เป็นที่เชื่อถือและถูกต้องมั่นยนามได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคนพูดกันทั้งโลกมีความรองแสงไปได้เรื่อยส่วนมากพูดด้วยความสุ่มเดาไม่ค่อยไม่ได้พูดด้วยความจริงจังออกมาเพราะต่างคนต่างไม่รู้จริงๆๆเจริงจะเอาความจริงมาพูดอย่างอาถารได้อย่างไร ส่วนพระพุทธเจ้าในทําทุกบททุบบาทที่ประธานวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทรงทราบโดยเหตุดโดยผลไปจากพระไทยแล้วจึงได้นํามาสั่งสอนสารโลกคําสั่งสอนนั้นจึงเป็นที่แน่ใจได้ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์สอนไว้จึงเป็นผู้แน่ใจในตนเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งแน่ใจที่สุดหาที่สงสัยไม่ได้เลย เมื่อถึงขั้นแน่ใจแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหลความดีเป็นที่แน่ใจได้อย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติบาเพ็ญเพราะว่าคำดองสอนจึงเป็นที่แน่ใจสำหรับโลกทั่วๆไปถ้าไม่มีมานเข้าบดลมนนานใจโดยเห็นสิ่งที่แน่ใจนั้นว่าเป็นของไม่แน่ใจดยเสียสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นเข้าใจเป็นของดีแล้วฟ้าเอามาปั เขาผ่านตนเองนั่นเขาไม่มีใครช่วยได้เรียวกว่ากรรมของสัตว์ในเราทั้งหลายทราบอยู่ด้วยกันมา ด, ดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์ไม่ผ่านเป็นของมีมาดั่งเดิมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เศษสรรขึ้นมาเฉยๆเป็นสิ่งที่มีมาดั่งเดิมแล้วพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามสิ่งที่มีอยู่ดั่งเดิม ไม่ใช่จะมาเรมาถอนมาปรุงมาแต่งเอาใหม่ทั้งๆที่สิงนั้นไม่มีแล้วมาปรุงแต่งให้มีอย่างนี้ไม่มีในโอวาทคําสางๆของพระพุทธเจ้าเห็นคําว่าบาปก็หมายถึงความเศอ้าหมองผลก็คือความทุกข์ถ้าว่าว่ามันไม่มีชันโลกแต่ละลาย า, ยายมีความทุกข์ประจักษ์ตนเองเพราะอะไรจึงเป็นทุกข์ก็เพราะสาเหตุคือกรรมเมื่อโลกนี้ยังมีการทํากรรมอยู่ตราบใด ไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วผลจะพึงแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่อยๆไปหากเราจะลบล้างกรรมเราก็ต้องลบล้างการกระท h a ของเราลบล้างบุญลบล้างบาป ก, กับลบล้างการกระท h a ของเรามีเท่านั้นเป็นที่ลบล้างอย่างอื่นไม่สําเร็จนีธรรมนรกนั้นก็เป็นสถานที่อยู่ของสตัตว์ผู้อยากช้าลา ม, มุขชวันเป็นสถานที่อยู่ของผู้มีความดีเนี่ย เราก็เห็นอยู่แล้วเช่นอย่างเรือนจําเป็นสถานที่อยู่ของไข่ในโลกนี้ก็ยังมีเรือนจําเป็นสถานที่อยู่ของไข่สถานที่ดีกว่านั้นก็มีเยอะอย่างที่เราเห็นนอกจากเรือนจําไปแล้วก็ดีๆกันลินอะไรทั้งนั้นไม่ได้ถูกกักขังไม่ได้ถูกทําโทษทํากรรมอะไรไมันต้องบังคับบัญชาแบบนักโทษเราก็เห็นกันอยู่มเพียงโลกนี้เราก็เห็นทําไมโลกอื่นจะไม่มี เมื่อโลกนี้มีโลกอื่นก็มีวันนี้มีวันอื่นก็มีเนี่ยมันเป็นของคู่เคียงกันมาอย่างนี้แต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นที่จะมีเพียงไรก็าตามสายตาเราสั้นเพียงแต่มองดูควาดูความดูหนามมันก็นยังไม่เห็นยังไปเหยียบเอาจนได้หัวต่อเดินเดินไปมันก็นยังไม่เห็นโดนเอาจนได้จนเท้าแตกเนี่ยพี่ดูสิขณะที่โดนขณะที่เหยียบเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่ง น, นั้นไม่มี แต่ความไม่มีนั่นลบล้างกันได้ไหมเวลาเดินไปเหยียบอะไรเงี่ยน้ํนปาปักหรือไม่ปากมันก็ปากเพราะสิ่ง น, นั้นมีอยู่ไปเหยียบขูมันก็ปกักไปโดนหัวตอก็ถ้าถ้าแตกจนได้ทั้งทั้งที่ว่าหัวตอ่อไม่มีนี่แหละเราคิดดูสายตาเรามั น, นสั้นๆอย่างนี้เพียงแต่มองดูหัวแม่เท่าของตนมันก็ยังไม่ทั่วถึงยังต้องโดนขวากโดนน้ําจนหัวตอ่อจนได้ แล้วยิ่งสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นของละเอียดมากมายก่าวกองเป็นมิสายของผู้มีความลูกความเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญมีญาณที่จะอย่างทราบตามความคิงอันละเอียดทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่ฐานะของคนอย่างพวกเราทราท่นนี้จะมองเห็นกันในการเชื่อเราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอด เราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดนี่สำคัญเราจะเชื่อคนมีธรรมรือเชื่อคนจอมโกหกพระพุทธเจ้าเป็นคนจอมโกหกทึบเป็นจอมปลัดน่ะถ้าเชื่อคนตาบอดก็ต้องโดนไม้เลยๆไปเพราะคนตาบอดจะไม่ได้เดินตามทางชนนั้นโดนนี้ไปเรื่อ ย, อยตามภาษีภาษาตองตาไม่เห็น คนตาดีแล้วไม่โดนนอกจากจะเผลอตัวไปหรือประมาดดังที่ว่านี่ปเหยียบความเหยียบน้ํานี่ยคนตาดีเหยียบได้ในขณะที่เผลอขณะที่มาเห็นแต่คนตาบอด น, นี่เห็นไม่เห็นก็ไม่ทราบ่ะเพราะมันมืดอยู่งั้นตลอดเวลาเอาผ่านหน้าเป็นเอากันทั้งนั้นไม่ถอยแบบโดนด่าชนด่าไปเลยเพราะไม่เห็นจะทำไงี่การเกิดของสารโลกมันก็เกินต่าไปเลยอย่างนั้นเหมือนกันเพราะไม่เห็นไม่ทราบ แล้วแต่กรรมจะพาไปกรรมจูงกรรมลากไปไหนชุดไปไหนลากไปไหนมันก็ไปเราไม่มีอำนาจไม่มีกำลังที่จะปราบฝืนกรรมทั้งหลายได้กรรมต้องเป็นผู้ชุดลากไปถ้าเป็นกรรมชั่วมันก็ชุดลากไปเข้าปากเข้ารกตกเหวลงบ่อไปอย่างนั้นตกนกรกอาวรยกีไปถ้ากรรมดีก็พยุงสงเสริมให้ไปในทางที่ดีเสมอ พวกเกิดที่เกิดไม่รู้เรื่องรู้ราเกิดไม่มีความสามารถอ่านรูปเรื่อยานในนี้มันแบบเกิดดะนะไปเลยทุกจะมีทุกจะมีอะไรไม่ทราบว่ามันจะมีมาเมื่อไหร่แม้แต่มาเกิดนี่ก็ยังไม่ทราบว่า ม, มาจากพบอะไรที่ดูดีเราเป็นนักพบนักชาตินักเกิดนักตายอยู่แล้วยังไม่สามารถที่จะทราบเรื่องของตัวเองได้เราจะพูดไปถึงข้างหน้าอะไร อะไรที่จะเป็นเครื่องให้เราเป็นที่แน่นอนใจเราจรึงควรสร้างเสียตั้งแต่บันน้นการไปแบบสมฉุมเดาเดเปิดแบบผุ่มๆเดาเดาทั้งๆที่ไม่แน่ใจตัวเองความเป็นอยู่ก็ไม่แน่ใจนี่เราจะพยายามอยู่กับหรือนอนใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ถูกสมกม็ว่ามนุษย์เป็นผู้ชนะคือไม่สมเหตุสมผลกัน เพราะอย่างยิ่งการผิดความดีความเจเริญฉลาดขึ้นภายในใจด้วยจิตตะภาวนานี่เป็นสิ่งสําคัญมากอาจมองเห็นได้คาว่าบาปบุญนรกสวรรค์มิลพานอาจมองเห็นได้ด้วยจิตตะภาวนาของเรามากน้อยต่างกันเท่านั้น บุญที่ไหนมันก็รรทราบทราบวิธีจิตที่มีความเย็นสบายมีความรุ่มร้อนเกิดมาเมื่อไรเพราะสาเหตุอันไหนก็ทราบ น, นั่นนี่เราทราบบุญทราบบาสนรกสวรรค์ก็ทราบทราบทั้งอยู่ภายในจิตใจทราบทั้งที่จะไปข้างหน้าก็ผู้นี้เป็นผู้พาไปไปสู่สถ า, านที่ใดเนี่ยคนชั่วมันก็ไปเข้าเรือนจำนั่นเองเนี่ยยึกที่ชั่วมันก็ไปลงนรกเน่มันก็ผิดกันที่ไหนมันก็มืเหมือนกั น, นมันทราบอยู่ภายในใจ เมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปสิ่งที่ปิดบงังจิตใจค่อยหมดไปจางไปจางไปความสว่างกระจ่างแจ้งสามารถที่จะมองเห็นในสิ่งต่างๆได้โดยลาดับหน่งจนเต้นภูมิของจิตจะไ่เกิดที่ไหนก็ทราบอยู่ในฐานะของจิตในขั้นภูมิของจิตจะไม่เกิดก็ทราบตามขั้นภูมิของจิตว่าหมดเทือแล้วไม่มีทางที่จะเกิดต่อไปอีกแล้วก็ทราบ เมื่อถึงขั้นจะสร้างแล้วปิดมาอยู่เน <Yeah. S 1> ี่ยท่านถึงสอนให้อบรมจิตจิตนี้เป็นตัวรู้ตัวฉลาดแหลมคมมากถ้าสอนให้แหลมคมถ้าอบรมให้แหลมคมมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมากกว่าสินใดในโลกแต่เราไม่ได้อบรมทังสอนจิตจึงเป็นเรื่องอาภัพเป็นจิตอาภัพอยู่ตลอดเวลาเดืนเดินนั่งนอนอาภัพทั้งนั้น เพราะสิ่งอาภาัพมันปกปิดกำบังมันมีอำนาจเหนือนกว่าจิตกรเลยกลายเป็นของอาภัพอะไรตามๆกันจึงต้องปลมสติปัญญาในจิตมีความสงบร่มเย็นเพียงสงบภายในใจเราก็เห็นคุณค่าของใจสงบมากก็เห็นมากรู้มากเข้าใจมากแล้วผิดทางปัญญา พิจารณาดูในโลกกระถัดอันนี้มัไม่มีอะไรที่จะควรเปิดเผยรุ่นเริ่มอะไรไปนักหนาเดินไปไหนก็มีแต่ายช้าของสัตว์ทั้งเขาทั้งเราเต็นไปด้วยนิจังทุกข์ของหน้าตาเข้าในบ้านก็ยินบนออกนอกบ้านก็ยิ่บนเข้าเมืองก็ยินบนเจอไปทุกแห่งทุกหนเรื่องความทุกข์ความทนมานของสัตว์ของคนมีอยู่ทุกแห่งทุกทุกแห่งทุกหตนตําบลหมู่บ้านแล้วจะสงสัยที่ไหน มีความสุขความสบายไม่ต้องมีอะไรมาเกาะควนวุ่นวายรับความทุกข์ความลาบากนอกจากเราสร้างจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมเท่านั้นเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยไร้ทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรมากวนอันนี้เป็นจุดสำคัญมากเมื่อสร้างอันนี้ให้เต็มภูมิแนละ้วนันก็เย็นคิดว่าจะทานที่นั่นเป๊งไงจะทานที่นี่เป๊งไง เพาความเย็นอยู่กับเจ้าของความถูกอยู่กับเจ้าของหลักหลักใหญ่อยู่กับเจ้าของแล้วก็ไมศาสตร์จะไปหาคุเงอที่ไหนกันตัวจริงมันอยู่กับเราเรารู้อยู่เห็นอยู่ครองอยู่ด้วยแล้วเราจะไปจคุกงอหาอะไรนี่แหละธรรมาการสร้างตัวทางด้านธรรมะสร้างตัวอย่างนี้สร้างตัวทางโลกกดังที่เราทราบกันอยู่แล้วสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการฝันฝายในหน้าทีการงานธรรมะหาเรื่องที่ อันนี้ทัพย์สมบัติเงินทองอันนี้ว่าสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างภ า, ายในก็คือสร้างจิตใจของเราให้มีหลักมีฐานมั่นคงให้รู้สิ่งดีสิ่งชั่วพยายามแก้ไขตัดแต่งกันไปโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งจิตมีความเชื่อถือตัวเองได้มีความแน่ใจได้ดูไหนก็เป็นหลักเป็นเจนมีความสุขความสบายตายแล้วก็เป็นศพนี่ผู้มีหลักจิตใจเป็นอย่างนี้ คนเราถึงจะเป็นคนเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันในความรู้สึกจิตว่าจิตเหมือนกันก็ต่างกันในฐานะสูงต่ำของจิตความโง่ความฉลาดผิดแตกกันอยู่มากอันเป็นว่าเป็นประตามบุญตามคำตามมากวาสนามองเห็นกันไม่ได้ยึอยู่อย่างลึกลับภายในจิตใจใพยายามสร้าง ตัวให้ดีสร้างให้มีความแน่นหนามัน่นคงเอาให้เห็นประจักษ์ทำพมะพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ให้เห็นประจักษ์ในสิ่งที่มีอยู่รู้อยู่แก่สิ่งที่มีอยู่รู้อยู่อันไม่ดีนี้ก็จะปรากฏสิ่งที่มีขึ้นมารู้ขึ้นมาภายในจิตใจอันเป็นความดีลองทำให้ใจสงบลองดูใจสงบกับใจไม่สงบผิดกันอย่างไรบ้าง ความสงบของใจเิดขึ้นมากน้อยความสุขเราไม่ต้องถามเพราะปาาราศจากสิ่งก่อควาในเวลานั้นจะมีความสุขเบาไปหมดทั้งใจเนะี่ยมาบงมากจนหน้าตาปุบปั้ ก, การมีในความรู้สึกเลยเหลือแต่ความรู้ลวงลวนเหมือนอยู่อวกาศรืเหมือนอยูอาา่ อ, อ, ยอากาศกลางขาวไปอย่างนั้นนั่นหละกิตสบาย หุดปล่อยวางทั้งหมดในขณะนั้นนี่คือสงบเต็มที่เป็นอย่าง ไ, ไม่ทราบมาตนอยู่ที่สูงที่ต่ําและอยู่ในที่เช่นไร น, นั่งอยู่หรือนอนดูไม่สนใจทั้งนั้นปรากฏแต่ความรู้ล้นล้วนซึ่งไม่มีรูปไม่มีลักษณะอะไรปรากฏเลยเป็นแต่ความรู้ล้นล้วนถ้าว่าจะพูดลักษณะก็มีแต่ความสว่างสวัยตากฏอยู่ภายในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ผิดกับสิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาในโลกนี้ นี่คือความสงบมากความสว่างความสุขมากอย่างนี้จุดดวงนี้แหละดวงมืมดๆดําๆที่เราตำหนิอยู่ทุกวันนี้แหละเพราะความมืดดํานั้นไม่ใช่จิตมันสิ่งปิดบังต่างหากเหมือนอย่างไฟฟ้าลราเนี่ยเราเอาแก้วครอบดำดำมาใส่พี่มันก็ดำวอาแดงมาใส่ก็แดงเอาขาวใส่มันก็ขาวเนี่ย ไฟมันเป็นไฟอย่างนั้นแหละจิตก็เป็นจิตอย่อย่างนั้นแต่เมื่อสิ่งที่ดำสิ่งที่มัวหมองเข้าไปแทรกไปปกปิดกําปิดกําบังเอะไใจมันก็เหมือนว่ามันเท่ามันหมองมันดำเป็นหมดความจริงก็คือสิ่งนั้นทาให้ดำทำละสิ่งนี้ออกแล้วจิตก็สว่างสบออกมาจนกระทั่งถึงเต็มที่มันมีอะไรติดข้องในโลกธาตุผ่านทะลุไปหมด ะอะไรจะแหลมคมยี่งกว่าใจมังถึงขังน้นมีอำนาจมีอานาจอย่างนั้นสาระสาคัญจึงมุงอยู่ใจนี้เท่านั้ น, นพยายามบำบุงนี่แหละเชื่อที่จะไปเกิดพบหน้ากับคุยใจตรงนี้นพยายามสร้างให้ดิการแสดงทรก็เห็นมาสุ ข, ขวดอาลัยุดเิกกันทีงนี้